เพิ่งตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีผู้ใดไม่ปรารถนาดีตัวโตต่อ ต, ต, ต, ตัวเองก็แล้วไปอยากเป็นคนยากคนลำบากอยากเป็นคนทุกจนหนโลก ก็อยากไปทำไปใดรอยากดบอยากดีแล้วก็ต้องฝึกตนคนเราอยู่เฉยๆจะให้มันดีเองไม่ได้หรอกถ้าอยู่เฉยๆมันดีเองละมันจะมีใครละเป็นคนชั่วในโลกอันเนี้ยเราคิดดูให้มันดี คนชั่วในโลกนี้ก็เพราะคนไม่ฝึกตนนัเนหละปล่อยกิเลสตัณหามันฉุดคล้าไปตามความประสงค์ของมันตัณหามันบังคับให้น้องกันนอนมันหมดคืนแถมกลางวันนอนอีก มันก็ไม่ได้อะไรแล้วคนผู้นั้นนะได้ตะกิเลร ส, สะสมตะกิเลศเหนหนาแน่นขึ้นในใจของตนเพราะฉะนั้นคนในโลกนี้นะลงสังเกตดูคนทุกข์คนจนมีเยอะแยะคนพิกลพิการก็มีมากมาย คนที่จะร่ำรวยมั่ง ม, มีมีฐานะดีนั่นน่ะมีน้อยเต็มทีเราสังเกตดูภายนอกก็ได้แต่คนมันไม่ช่างคิดหรอกเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากแล้วมันกันเลี้ยวไปอย่างนั้นแหละแต่นี่จะน้อมมาคิดว่าเพราะอะไรหนอมันถึงเป็นอย่างนั้น มันไม่ออามาคิดกันเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ตื่นตัวกันได้คนเรานะถ้าไปเห็นคนยากคนจนคนวิกลพีการเนะี่ยน้องก็มาคิดพิดจารณามันก็รู้ได้ตามทัศนคติในทางวัตถธศาสนานะ่มันก็เป็นด้วยกรรมคือการกระทา ของแต่ละบุคคลผู้ใดเกียดขลานไม่ทำความดีผู้นั้นก็ยากจ น, น, นผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้พินทุกข์เกิดร้อนให้เสียองค์ค่าอะไรพวอนี้กรรมนะ้ำมันก็ตามสนองเกิดมาชาตินี้ก็เป็นคนขี้กระจอกข้อค่อยเสียองค์อืม ร่างกายไม่สมบูรณ์หุ่นสุกเหมือนอย่างคนผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรอันนี้เราเห็นกันอยู่ดาาตื่นดังนั้นคนเราที่มันไม่มีสติปัญญานะี่ยก็เพราะเหตุว่าไม่ฝึกตนอย่างว่านี่นหละเกียกรติคล้านในการศึกษาลเรียน เกียจคร้านในการเข้าหาสมาคมผู้มีความรู้ความฉลาดทั้งหลายหาทางหลีกเลี่ยงทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่ไปเรื่อยๆไปอย่างนี้มันสบายดีนะไม่ต้องออกแรงเพราะว่าการศึกษาเราเรียนก็ต้องออกแรงเหมือนกัน การฟังบุนี่ก็ต้องออกแรงนั่งฟังนั่นบุนี่นะมันเกี่ยวแก่การกระทําทั้งนั้นเลยผู้ใดเกียดครั้นแล้วพู้นั้นก็ไม่ทํางานเป็นธรรมดาหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็ไม่สนแอบอาศัยแต่ผู้อื่นนั่นแหละเป็นโย คนเกียจค้านนะอะไรได้เพื่อนก็ทำให้เพื่อนก็ทำความสะดวกให้ตนเองก็คอยแต่จะล่างมือเปิบอย่างเดียวในอย่างนี้แหละคนที่เป็นเช่นนี้แหละเกิดมาในโลกนี้มันจึงยากยากจนคนแค่นแล้วก็ไม่มีญาติมิตรสายไม่มีเพื่อนพุง ช่วยเหลือเกื้อกูลในเวลาตนตกอับมันจะมียังไงล่ะแต่ชาก่อนตนก็ไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ทำความดีให้ผู้อื่นได้พึงพาใสาบ้างแต่ตัวของตัวเองก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ข้อมัวแต่เกียจคร้านเห็นแต่แกดับแกนอน อย่างนี้นหละคนเกิดมาในโลกนี่มันยากจนขนแค้นจนทรบับปัญญามันก็เกี่ยกแกการไม่ทำความดีนี่แหละคนเราถ้าไม่ทำความดีแล้วมันก็มูนไปทำความชั่วมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันจะได้ยังไงกีเลตันหาอภิชานะ่มันว่าจะส่งเสริมมันให้มันเป็นใหญ่ในหัวใจแล้ว มันไม่ส่งเสริมให้ทำความดีหรอกมีแต่มันจูงไปทำความชั่วนั่นแหละให้พากันเห็นโทษของกิเลสเหล่านี้ผู้ดใด ห, หวังดีต่อตัวเองอย่าไปคิดว่ากิเลสเหล่านี้มันจะไม่ทำอันตรายแก่ตัวเอง ถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้แล้วคนเรานะมันก็พ้นทุกข์ไปได้อันที่มันเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเพราะรู้อำนาจต่อกีเิเลสต่างๆดังกล่าวมานั่นเมื่อกิเลสมันจุใจไปแล้วมันก็ไม่อยากทำความดีละคนเราเบื่อหน่ายต่อความดีพอใจเปกะขอใจไบกะทำความชั่ว คนขี้คลานทําการงานมันก็ไปมัวสมกันวางแผนเป็นโจรไปคอยแย่งเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้แสนทุกแสนยากไอโจรในโลกเนี่ยมเป็นอย่างนี้แหละมันเกิดจากคนเกียจคลานทําการงานหนักไม่เอาเวาไม่สู้ยังไงเห็นคนอื่นเขาหาได้มา ร่ำรวยขึ้นมานะกบหาอุบายไปแย่งชิงเอาดังนั้นโลกนี้มันจึงหาความสงบไม่ได้คนเกียจคร้านมีมากเท่าไรโจรขโมยยิ่งมีมากเท่านั้นมันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันคนขยันมีมากเท่าไรโจรขโมยมันก็น้อยลงก็เป็นอย่างนี้แหละ ในพระพุทธศาสานานี่ก็เช่นเดียวกันนะถ้าภิกษุสามเณรบวชเข้ามาแล้วเกียกคร้านไม่ทำความเมียนไม่ศึกษาเราเรียนอย่างนี้นะอารัชคีมันก็มีเยอะขึ้นไปอารัชคีปแปล ว, ว่าผู้ไม่มียางอายน่วงทำรโรงวินัยได้โดยไม่ส ะ, สะทกสะทา้าน ไม่กลัวต่อกรรมชั่วที่ตนทานะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนี้ในสังเกตดูนั่นเนี่ยพระภิกษุสามเณรถ้าเกียกรตคลานทรรมก็วัดปฏิบัติแล้วจะเป็นพระที่ดีเน้นที่ดีไม่ได้เลยเดี๋ยวไหลทั้งนั้นเลยเกียกรตคลานไว้พระนั่งสมาิภาวนา ขี่คลานปัดกวดวัดวอารามขี่คล้านแม่ตะวินท บ, บาทอย่างงี้สวีเด บ, บ, บ, บาก็ขี่คล้านได้ไปอ า, อาศัยผู้อื่นกินอได้อย่างนี้นะมันจะไปเขาพร้อมด้วยอย่างอื่นได้ยังไงอ่ะขี่คลานทําความสะอาด ในที่นั่งที่นอนกุธิที่ตนอยู่อาศัยย่ารอบๆกุธิรกรุงลังก็ไม่หาทางทำให้มันะสะอาดสะอ้านอ้างว่าแต่ทำไม่ได้ผิดวินัยคนไม่มีปัญญามันก็จะไปทำได้ยังไงแล้วคนมีปัญญาเขาย่อมคิดหาหนทางหาอุบาย แล้วอุบายทำในสิ่งที่ควรทำคนสิ้นคิดนัินไม่สามารถจะแก้ไขสิ่งขาดตกบกตุกพร่องต่างๆได้ไม่ว่าขเรือหัดไม่ว่านักบวชเหมือนกันเลยต้องคอยผู้อื่นน่นจูงไปกระทงคอยพอเดินไปได้ ถ้าผู้อื่นไม่จูงนะเดินด้วยลำพังตนเองไม่ได้เลยอันนี้ไม่ควรนะเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีความเพียรใหญ่องค์มีความบากบัน่นมั่นหมายทำความดีทุกอย่างใช้สติปัญญา ฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นตั้งแต่เป็นพระพธิชัดอยู่ก็ดีแต่ก็เมื่อพระองค์ไม่มีปัญญาพราะองค์จะสร้างบา ร, รมีสิบประการนี้ให้มันเต็มบริบูรณ์ได้ยังไงอ่ะ เ, ะเพราะพระองค์มีปัญญานั่นแหละมันมีอุปสรรคมาขัดขวางมาให้บำเพ็ญบุญกุศลอย่างใดก็ใช้ปัญญาแก้ไข อุปสรรคเหล่านั้นให้มันลุล่วงไปให้มันได้ทาบุญกุศลมันได้รักษาสินสำรวมสารวมกายวาจาใจของตนให้บริสุทธิ์จากปากจากโทษต่างๆล้วนแต่เป็นผู้ใช้ความคิดมีมันสมองทั้งนั้นเลยไม่เฉพาะแต่เป็นพระโพธิสัตว์แม้ผู้สร้างบา ร, รมี เป็นสาวกนี่ก็เหมือนกันเลยก็ต้องตั้งอยู่ในความหมั่นความขยันชอบความดีเกลียดความชั่วมันถึงค่อยทำดีได้คนเรานะ่ะถ้าใจมันเฉยๆเรื่อยๆไม่ชอบความดีแล้วมันก็ทำความดีไม่ได้เลยถ้ามันไม่เบือนายตัวความชั่วมันก็ละความชั่วไม่ได้ มันเป็นอย่างนั้นลองพิจารณาให้มันเห็นก็ผู้ใดไม่พิจารณาก็ไม่รู้ไอ้ความชั่วมีอยู่ในตัวอย่างไรก็ไม่รู้แม้ตนทําความชั่วไปอยู่ก็ไม่รู้ไม่เห็นโทษของมันไม่คิดว่ามันจะตามสนองตัวให้เพินทุก์ไม่ลําพึงเลยถ้าคนลําพึงอย่างนั้นมันก็เห็นความชั่วได้สิ นั่นแหละมันไม่คิดซ้าเลยว่าในตัวของคนเราเนี่ยมีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ไม่คิดอ่านเลยคนบางคนนะพะะนิจารณามันถึงลกความชั่วทำความดีไม่ได้ถ้ามันคิดมาพิพจารณาเข้ามาหากายหาใจนี่เมื่อเพ่งดูใจตัวเองนี่สังเกตดูใจตัวเองเสมอไปอันนี้มันรู้ได้เลยว่า ใจของตนนี่มันยึดเอาความชั่วอะไรไว้อย่างนี้มันรู้ได้นะจะไปคอยเจ้าคนอื่นทักท้วงตักเตือนจึงรู้ตัวอย่างนี้นะมันแย่คนผู้นั้นนะช่วยตัวเองไม่ได้สักหน่อยเดียวเขาเรียกว่ายืนบนเท้าตัวเองไม่ได้ไปาอาศัยยืนบนเท้าของผู้อื่น ไอ้อย่างนี้มันไม่สมควรนะโดยเฉพาะเป็นนักบวชเนี่ยตนเองเป็นผู้มีความคิดริเริ่มเบื้องต้นมาแล้วมันถูกทางแล้วนะ่ะอืได้มีศรัทธาเข้ามาบวชมาเรียนอย่างนี้นะบุญกุศลนนหลังมารดนบันดาล จ, จิตใจแล้วมันถึงได้มีศรัทธาแรงกล้าสำหรับบ้านเรือนญาติมิตรพ่อแม่พี่น้อง เงินทองเข้าของมาบวชคิดดูแต่ขั้นเมื่อหนีจากความวุ่นวายภายนอกนั้นมาได้แล้วมาอาศัยลมเงาพระพุทธศาสนาเข้าไว้แล้วได้อยู่สบายสบายแล้ ว, วเกียกร์คลาดบบนี้นะเอาแล้วไม่ขยันขันแข็งทำความดี ไอ้อย่างนี้มันก็เจริญก้าวหน้าไปไม่ได้แล้วบุญกุศลก็ไม่เจริญขึ้นในใจิตใจเพราะว่าผู้นั้นบวชเข้ามาไม่ได้ตั้งใจว่าจะบวชมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีบางคนก็เจตนาไม่บริสุทธิ์มาบวช เกียดคลานทําการงานภายนอกแล้วอก็คิดว่าไปบวชเนี่ยจะไม่ได้ทําการงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจะได้อยู่ร่มอยู่เงาสบายไอ้อย่างนี้เราก็หนีมาบวชพูดเช่นนี้แหละนักบวชเช่นนี้แหละเมื่อเกียรติคลานไม่เพียนไม่ยามละความชั่วทําความดี ว่าเจตนาเบื้องต้นนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วแล้วเจตนาในถ้ำกลางในเบื้องปลายมันจะดีได้ยังไงอ่ะถ้าผูใ้ใดมีเจตนาในเบื้องต้นน่ะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้มันก่อทุกข์ก่อยากให้ดวงจิตอันนี้มากมายจิตนี่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่ในวตาสงสารนี่ กบเขากิเลสตัณหาเหล่านี้เนี่ยมันสั่งสมไว้ในจิตใจสัมากแล้วไม่เพียรละมันเลยอย่างนี้นะเมือม่อเมือม่อเมื่อไม่เพียรละมันก็สั่งสมมันแล้วเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นสั่งสมมันมากๆก็มีอิทธิพล ม, มันก็ชักลา ก, กจิตใจไปทํำความชั่วด้วยกายด้วยวาจามันก็ไปอย่างนี้สายของกิเลสนะ มีอยู่ทั้มไปในโลกนี้เนะี่ยผู้รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาเนี่ยผู้ไม่รู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาในมีน้อยเต็มทีดังที่เราจะเราเห็นกันมาอยู่ทุกวันนี้แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนะี่ยก็ต้องพิจารณาให้มันรู้เรื่องราวชีวิตของตนเองนี่เนะี่ยโดยแจ่มแจ้งตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อรู้เรื่องของตัวเองโดยเจีมแจ้งแล้วผู้นั้นมันก็ละชั่วทำดีได้อย่างว่านั่นเองขยันทำคนงามความดีไม่เกียรคร้านเลยถา้ามัวจะเกียรคร้านอยู่หน่อยความทั่วมันก็แทรกแซงเข้ามาอีกแล้วกเพินิจไดท้ทำชั่วพูดชั่วไปชีวิตก็เหลิวไหลไป <c oughs> ดังนั้นแหละ ให้พึงพากันเข้าใจวิถีชีวิตของตนของตนไม่ใช่ว่ามันไม่มีศัตรูนะชีวิตนี่นะมันมีกิเลสนี่นะเป็นศัตรูคอยจองล้างจองฝันจูงไปจะทำความชัวนะ่วเรื่องของกิกเลสก็เป็นอย่างนี้แหละ มันจะไม่จูงให้คนเราทำความดีเลยอวิชาตัญหาเนี่ยมันจูงไปทำแต่วความชั่วนั่นแหละคนเราอ่านแม้ความชั่วความดีนี่ก็ไม่ออกส่วนหลายนะตนทำความชั่วไปก็นึกไม่ได้ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความชั่ว นั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่คิดไม่กำนึงเลยไม่ดำลิในใจเลยมีแต่รรมันไปตามอำนาจของกิเลสกิเลสมันจูงไปทำความชั่วอะไรก็ทำไปตามมันมันจูงให้ไปฆ่าสัตว์รักรทกรัพย์ประพฤติผิดในขามกล่าวมุสากล่าวมุสาวาท เดื่มทุรามีไรกัญชายาผินเฮโรอีนก็ทำไปตามอำนาจในความอยากโดยไม่ทบไม่ได้ทบทวนเลยว่าไอ้ตนอยากไปเช่นนั้นมันมีคุณหรือมีโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้านี่ไม่ได้คิดเลยก้มหน้าทำมันไปตามหน้าของตัญหาอย่างนั้นแหละ <c oughs> ถ้าเป็นนักบวช ตนเคยร่วงที่ขบววินัยข้อไหนก็ร่วงอยู่นั้นแหละไม่มีการสารวมระวังนี่ยอย่างนี้มันจะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าใจมันเนามไปทางกิเลสบาปธรรมมันพอใจไปในกิเลสบาปธรรมแล้วจะให้บุญมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอ่ะ นั่นน่ยพิจารณาดูให้ดีถ้าผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี่แล้วว่ากิเลสมันเป็นศัตรูต่อตนเองจริงๆเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยพญานของตนเองแล้วผู้นั้นก็จะไม่เลี้ยงกิเลสไว้จะพยายามกระจัดมันออกไปเรื่อยๆจนความจะหมดจะสิ้น ปฏิบัติไปฝึกตนไปจนกลัวว่ามันฝึกไม่ได้เอามันเดินไม่ได้ก็นั่งมันนั่งไม่ได้ก็นอนนอนอยู่ก็ภาวนาอยู่มีอุบายเยบคลายสอนใจตัวเองอยู่ไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆเวลาจเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ดี ก็จะไปดิ้นหลนแตกวันไว้ไปตามแต่ทุกขเวทนาอยู่นั่นไม่อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนามันก็พิจารณาในไม่ออกแล้วอไม่มีอุบายอะไรแล้วดังนั้นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเราต้องอดทนต้องอดกั้นต่อทุกขเวทนาเมื่ออดกั้นต่อทุกขเวทนาได้ มันก็มีอุบายเยียบคายสอนจิตอันนี้ไอ้รู้เท่าทุกขเวทน า, ทาต่างๆได้มีนักบวชนอกพุทธศาสนาไปูทนถามพระพุทธเจ้าอะอะไรเป็นภัยใหญ่ของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกแผลเป็นภัยใหญ่ของโลกหมายความว่าเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกแะละนี่ บุคคลจะพ้นภัยนั้นได้ด้วยอาการอย่างไรก็รองค์เจ้าทรงตรัสตอบว่าบุคคลจะบุคคลจะพ้นจากภัยทั้งหลายเหล่านั้นได้ด้วยละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทละความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านี้ลงแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากภัยเหล่านั้น เพราะว่าภัยทั้งหลายคือความแก่ความเจ็บความตายมันเกิดมันเกิดมาจากความเกิดเมื่อมันม่เกิดเป็นขันหานี้แล้วมันก็ไม่มีแก่มีเจ็บไม่ตายแต่ในเมื่อคนใดยังหวงขันหานี้อยู่ตราบใดแล้วก็มันก็ทำทั้งกรรมดีกรรมชั่วใส่ตัวกรรมดีกรรมชั่วก็ นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปอย่างนั้นแหละให้พิจารณาดูแล้วเกิดที่ไหนแล้วแล้วพิจารณาดูว่าได้อะไรอ่ะไม่ได้อะไรนะมีแต่ไว้เกิดถวยไปยผลบุญผ ล, บ, ญผลบาป ท, ที่ทนทามาแล้วหมดบุญหมดบาปแล้วก็ตายไปเท่านั้นแหละคนไม่ทําความดี มันเป็นงั้นผนทํทำความดีแล้วเกิดไปชาติใดพบใดแม่จะยากลำบากอย่างไรก็ต้องอุตส่าห์ทำความดีให้เกิดที่มีขึ้นในตนถ้าผู้มีอินทรีย์แก่กล้าเห็นทุกข์เห็นภัยสงสารเน่ภาวนาระอุปทานในขันห้านี่เสมอเสมอไป ภาวนาโงจิตปงสังขารลงไปปงขันห้าลงไว้ตามสาภาพของมันมันจะแปรปวนไปไหนก็แล้วแต่มันใจเราจะไม่หวั่นไหวไปตามมันมันจะทุกข์ทนได้ยากลำบากอะไรก็ตามมันเราจะไม่ทุกข์ทนได้ยากไปตามมันเราจะทำความรู้เท่าทุกข์เหล่านั้น ถ้าเป็นผู้มีอุบายแยบคายอย่างนี้นะความทุกข์มันก็ต้องเบาวางออกไปจา ก, กจิตใจนะเพราะมันเพียรละอุปทานนี่ความยึดถือมีอุบายแยบคายสอนใจตัวเองเลื่อยไปถ้ารู้ว่าบุญของตนยังน้อยอยู่นี่นะก็หา อ, อุบายแยบคายสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดี ในการทำบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทางไหนมันจะก่อให้เกิดบุญกุศลนะเราก็ทำลงไปทั้งนั้นเลยทางใดมันเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็เว้นเลื่อยไปอย่างนี้นะอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้อยากจะพ้นทุกข์ภัยในมรระสงสารมีความเกิดเป็นต้น หน่นนี่โดยแท้จริงเมื่อเป็นเช่นนี้นะเราจะไปลัางร้อทำไมในเมื่อความทุกข์มันมีอยู่แท้แท้อยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกข์กายก็เพราะกายนี้มันไม่เที่ยงบุญกุศลที่มาตกแต่งกายนี้ก็ไม่เที่ยงบาปที่มาตกแต่งกายนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อไม่ท่วงแลวไม่เที่ยงแล้วมันก็แปรปวนกระทบ ก, กับจิตจิตไม่รู้เท่าจิตก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากถ้าจิตรู้เท่าแล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเอาทุกข์ใจวะนี่ทุกข์ใจก็เพราะไม่รู้เท่าขาน่าอย่างว่านั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่าขัน่าแล้วมันก็สร้างกิเลสพันห้าัทธาหน้อยแปดให้เกิดขึ้นในจิตใจนี่ กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดมันก็รบกวนจิตใจให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดถึงก็ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปสร้างกรรมสร้างเวนใส่ตนเองไปอันนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารนะก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้ ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วอ้อยพากันตั้งอกตั้งใจพาคเพียรไม่ยามพิจารณาให้นรห็นทุกข์เห็นไปในสงสารให้ได้ทำไมเะนั้นแล้วมันจะไม่หมุนเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่หรอกก็จะเป็นคนเจ้าทุกล่ำไปอยู่นั่นแหละดังแสดงมา